ปัจจัยปลีกย่อดอย่างหนึ่งที่ทำให้บางคนกลายเป็นผู้ประมาทไปโดยไม่สมควรก็คือความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไตรลักษณ์เหมือนกันและเป็นเรื่องที่พึงเข้าใจให้ถูกให้ชัดว่าตามหลักความรู้เท่าทันสังขารด้วยมองเห็นไตรลักษณ์ทำให้คลายหรือถอนความยึดติดถือมั่นในสังขารทั้งหลายเสียได้ความไม่ยึดติดถือมั่นนี้ เป็นหัวใจของความหลุดพ้นเป็นอิสระและความปลอดพ้นจากทุกข์ซึ่งจะทำให้เข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติที่ถูกต้องความไม่ยึดติดถือมั่นจะเกิดขึ้นเองเป็นผลจากการมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อมองเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนแล้วแต่ความผิดเพี้ยนหรือภาวะครึ่งครึ่งกลาง เกิดขึ้นในกรณีที่บางคนยังไม่ได้รู้เห็นความจริงด้วยความประจักษ์แจ้งไตรลักษณ์อย่างนั้นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังมาและคิดไปตามเหตุผลพร้อมทั้งถือตามไปด้วยสัญญาว่าจะต้องไม่ยึดติดถือมั่นสิ่งใดๆในโลกจึงจะหลุดพ้นจากทุกคนที่ถือไปตามสัญญาอย่างที่ว่าเมื่อคิดคำหนึ่งไปเช่นนั้นจึงพยายามแสดงทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นว่าตนไม่ยึดติดถือมั่นต่อสิ่งทั้งหลาย หรือหมดกิเลสแล้วโดยอาการที่กลายเป็นการไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรการไม่เอาอะไรนั้นดีแต่การไม่เอาเรื่องอะไรควรระวังให้มากการไม่เอาอะไรคือการทำโดยไม่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อตนเป็นความประพฤติที่น่ายกย่องแสดงว่าไม่มีหรือไม่ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาแต่การไม่เอาเรื่องอะไร อาจกลายเป็นการละเลยทอดทิ้งกิจหน้าที่การไม่เอาใจใส่เรื่องที่ควรใส่ใจซึ่งหมายถึงความประมาทและความหลงผิดถือผิดตลอดจนความมีตัณหาที่ทำให้ติดเพลินในความสบายอย่างน้อยก็เป็นเครื่องแสดงถึงความขาดกุศลฉันทะที่เป็นบันไดขั้นต้นของคุณความดีทั้งหลายคนที่ถือไปตามสัญญาที่ว่าจะต้องไม่ยึดติดถือมั่นสิ่งใดใในโลกจึงจะหลุดพ้นจากทุก แล้วพยายามแสดงทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นว่าตนไม่ยึดติดถือมั่นต่อสิ่งทั้งหลายหรือหมดกิเลสแล้วโดยอาการที่กลายเป็นการไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรนั้นทำให้เกิดการกระทำและการไม่กระทำที่เกินพอดีและเกินเลยความสมควรตามความเป็นจริงการเพิกเฉยละเลยเรื่องที่ควรเอาใจใส่และการไม่กระทำกิจที่ควรทาโดยไม่สมเหตุผลอาการละเลยการกระทาในลักษณะนี้ เรียกว่าความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเป็นความไม่ยึดมั่นอย่างเทียมไม่ใช่ความยึดมั่นที่ถูกต้องแท้จริงถ้านำเอาการกระทาและการไม่กระทาหลายๆแบบที่มีแรงจูงใจเบื้องต้นแตกต่างกันมาวางเทียบกันดูก็อาจจะทำให้มองเห็นลักษณะของการกระทาและการไม่กระทาที่เกิดจากความไม่ประมาทชัดเจนมากขึ้นจึงขอลองนาการกระทาและการไม่กระทาสักสี่แบบ มาวางให้พิจารณาดังต่อไปนี้แบบที่หนึ่งคนพวกหนึ่งถ้าไม่ได้ผลประโยชน์เพื่อตนหรือถ้าทำจะเสียผลประโยชน์ของตนก็ไม่ทำจะทำต่อเมื่อตนจะได้ผลประโยชน์หรือทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนแบบที่สองคนพวกหนึ่งไม่ทำเพราะยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นคือจะแสดงว่าตนไม่มีกิเลสจึงไม่ทำ แบบที่สามคนพวกหนึ่งไม่ทำเพราะมีความประมาทติดเพลในความสุขสบายเนื่องจากไม่ถูกทุกบีบคั้นหรือเนื่องจากปรับใจได้แล้วสบายใจพอใจแล้วก็จึงวางใจนอนใจเสียแบบที่สี่คนพวกหนึ่งทาหรือไม่ทำแล้วแต่ความสมควรแห่งเหตุผลเมื่อรู้ว่าควรทำ แม้ว่าทำแล้วตนจะไม่ได้ผลประโยชน์ก็ทำเมื่อรู้ว่าไม่ควรทำแม้ว่าทำแล้วตนจะได้ผลประโยชน์ก็ไม่ทำและทำในทันทีที่ควรกระทำไม่ละเลยไม่ปัดเพียนเมรืรอการทำในข้อสี่เป็นลักษณะของการกระทำด้วยความไม่ประมาทที่ถูกต้องแท้จริงซึ่งเป็นไปพร้อมด้วยสติและปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่แนะนําให้ทํากิจ ด, ด้วยความไม่ประมาทนั้นแบ่งตามประเภทของกิจได้สองอย่างคือหนึ่งเกี่ยวกับกิจ ด, ด้านในได้แก่คําสอนที่แนะนํากระตุ้นเตือนให้เร่งพัฒนาจิตใจของตนอย่างที่เรียกว่าทําความเพียรทางจิตเพื่อบรลุภูมิธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งก็คือการเข้าถึงคุณค่าด้านการทําจิตของไตรลักษณ์หรือ ความสามารถทำใจของตนให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้มากขึ้นไปโดยลำดับนั่นเองกิจ ด, ด้านนี้อาจเรียกง่ายๆว่าการปรับปรุงภายในหรือเรียกให้สั้นว่าปรับภายใน 2. เกี่ยวกับกิจ ด, ด้านภายนอกได้แก่คำสอนที่แนะนาเราเตือนให้เร่งพัฒนาชีวิตด้านนอกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ประจาวันการดารงตนในโลกให้กระตือรือร้นขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพการงานการทำหน้าที่ของตนการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆการสร้างสรรสิ่งดีงามและการบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมกิจด้านนี้อาจเรียกง่ายๆว่าการปรับปรุงภายนอกหรือเรียกให้สั้นว่าปรับภายนอกในด้านการเวลาคำสอนเกี่ยวกับความไม่ประมาทย่อมเกี่ยวข้องกับการทั้ง3าคือ1ส่วนอดีต ให้พิจารณาเหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือประสบการณ์ที่ล่วงแล้วแล้วถือเอามาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เร่งแก้ไขปรับปรุงและเพียรพยายามทํากิจต่อไป 2. ส, ส่วนปัจจุบันให้เร่งทํากิจของตนของตนอย่างจริงจังไม่ให้รีรอไม่ให้ผัดเพี้ยนให้ใช้เวลาทุกขณะทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์ 3. ส, ส่วนอนาคต ให้คิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อไปภายหน้าทั้งในทางดีและในทางร้ายโดยใช้ปัญญาพิจารณาความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเตรียมการป้องกันอนาคตภัยและกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความเป็นไปในทางที่ดีงามหรือเจริญมั่นคงถ้าเปรียบเทียบกับคำสอนเกี่ยวกับคุณค่าด้านการทาจิตคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับคุณค่าด้านการทากิจ แสดงเนื้อหาและรายละเอียดน้อยกว่ากระจายอยู่ห่างๆและมักเป็นคำสอนสั้นๆทั้งนี้เพราะกิจกรรมของมนุษย์ย่อมแตกต่างกันไปหลากหลายตามกาลเทศะมิใช่เรื่องยืนตัวที่จะพูดไว้แน่นอนเป็นอย่างเดียวจึงแสดงแต่หลักการหรือให้กติไว้เท่านั้นก็เพียงพอต่างจากการทำจิตที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ซึ่งตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์สภาวะด้านจิตก็เหมือนเหมือนกันอีกทั้งเป็นเรื่องประณีตล้ำลึกเข้าใจได้ยากปฏิบัติได้ยากและเป็นส่วนพิเศษเฉพาะของคำสอนจึงแสดงรายละเอียดเท่าที่เป็นไปได้ไว้แล้วเสียทีเดียว